ห้าสิบฟิมที่สระว่ายนา้ำวน้อากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนออวันนี้อากาศร้อนากาศร้อ้รน้ากรวันาน้ากัน คุณอยากไปว่ายน้ำไหมเขาจะไปว่ายน้ำไหมคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมคุณมีชุดว่ายน้ำไหมคุณมีบาด คุณว่ายน้ำได้ไหมคุณดำน้ำเป็นไหม de คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม de อาบน้ำได้ที่ไหน de ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน แว้นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหนบูร์เอร์ส l วมม์บริ n นน้ำลึกไหมแอร์ t ันเน่ดิ t น้ำสะอาดไหมแอรวรนน้ำอุ่นไหมแอร์วัร์ม ดิฉันหนาวมากย้ายฟรีรเซน้ำเย็นเกินไปนว่านน์่ะร์คลทดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้วากแล้วกรุณแากปที่ w w w b ั o k ะวันน